วั น, นเป็นวันเสาร์ที่ที่สหพฤษภาห้แล้วก็วันที่ส0สเป็นวันทําบุญเปิดโลกทธาตขององค์หลวงตาวัดป่าบัานตาอยากโยมก็คงจะมืดฟ้ามัวดินทําบุญเปิดโลกทธาตก็คือยกประเด็นโยมบรรดาของท่านเป็นหลักจากนั้นก็ บุทธิ์วนกุศลต่อผู้มีพระคุณของวัดจากบ้านกุทธิ์สนกุศลถึงเปรตญ า, าตทั่วประเทศและทั่วโลกแสด้ว่าเปิดโลกประถางที่องค์ลงตาทำรรแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ พวกเราคงจะเด็ขึ้นไปเวียนพระทักษิณภูก้อนตอนบ่ายและตอนเย็นก่อนถ้ามีชั ส, สท้ายญาติโยมมามากแล้วก็คงจะทําพระทักษิณที่วัดของเราอีกรอบหนึ่งตอนเย็นกลางคืนทุ่มสองทุ่มนะแล้วก็วันที่สิบมิถุนานะก็ไม่กี่วันนะจากนี้ไปเันนียเป็นพฤษภาเนะี่ยวันที่สิบมิถุนา่าจะทําบุญที่วัดของเรา อันนี้ก็คือทําบุญประจําปีถ้าจะพูดอย่างนั้นก็จะว่าน่าจะใช่เพราะว่าการประจําปีของเรานี่มีความหมายไม่ใช่ว่าจําประจําปีแบบเพื่อเกลืก 5, อกเฮหาฉั่งสรร ญ, ญาติโยมเข้ามาไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ประจําปีของเราเนะี่คือมีความหมายว่าปีหนึ่งพวกเราควรจะทําบุญในวัดผู้มีพระคุณ ที่มาช่วยวัดเราตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดถวายที่ดินถวายเงินซื้อที่ดินถวายเงินเพื่อสร้างเสนาสนะถวายเงินมาเพื่อทําถนนขนทางของน้ําสรุปแล้วก็คือช่วยวัดวาศาสนาที่ช่วยวัดปานาคำน้อยของเราจึงวัดนาคำน้อยของเราเป็นรูปเป็นร่างพวกเราที่อยู่ก็ได้รับความสะดวกสบายได้รักษาศีลได้มาภาวนาได้ปฏิบัติได้นั่งอยู่บนชราแห่งนี้ แต่ท่านเหล่านั้นบางท่านบางคนท่านก็ได้ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นจะไปสิงสถิตยอยู่ณทิศใดบางทีอาจจะตกทุกข์กะยาอยู่พร้อมที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเราอันนี้พวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า ให้พวกเราที่อยู่เบื้องหลังทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นอันนี้เราพวกเราเมื่อมาถึงปีหนึ่งก็ควรจะทําบุญอุทิศวนกุศลถึงเปตาาญาตเหลือญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในวัดของเราอันนี้ก็ลงพอว่าปีหนึ่งเราควรจะมีครั้งหนึ่งเราก็เลยกําหนดวันที่สิบนิพุนาตรงกับวันอาทิตย์ จะกระทำแบบเรียบง่ายนะทาแบบเรียบง่ายในมลครูบาอาจารย์จากวัดอื่นๆมาจากนั้นพวกเราก็ได้ถวายจะตุปปัจจัยถวายอาหารจากนั้น ก, กรพระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรพวกเราก็น้อมกิตุทิศ ส, สนุสน์ตนตระบันพชนของพวกเราทุกๆุคทันนะอันนี้ก็วันหนึ่งนะวันที่สิบมิถุนานะ สรุปแล้วโลกนี้เป็นโลกหาได้อย่างคุณแม่พูดนั่นแะโลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์หาพระนิพพานก็หาในโลกถ้าใครอยากจะทําระดับไหนก็สดสบัญหารในระดับนั้นถ้าว่าไม่หาอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าใครอยากจะได้บุญก็ทําถ้าใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ต้องทํา มันหาได้ทั้งสองเงินเพราะนั้นพวกเราอย่าไปตำหนิตัวเองให้มองตัวเองไว้ดีกว่าเราอยากจะได้บุญไหมถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ทำถ้าเราไม่อยากจะได้บุญเราก็ไม่ต้องทำเหมือนเราอยากจะได้เงินไหมเราก็ต้องทำงานหาเงินถ้าเราไม่อยากจะได้เงินเราก็นอนอยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้แต่อย่าไปตำหนิคนอื่นเผาาัเท่ แต่เมื่อจนมาไม่มีอันจะกินมาอย่าไปติดตำแหนีเขาจะ่าไปตำแหนีคนอื่นเพราะตัวเองไม่หาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตกทุกข์ไปยากเราก็ไม่ต้องบนหาคนอื่นทําไมข้าทุกข์ทำไมข้าจนทําไมข้าไม่รวยเหมือนเขาก็ไม่ต้องพูดเพราะตัวเองขี้เกียจถามเมื่อขี้เกียจถามมันก็จะได้เป็นผลมาได้ยังไงเพราะเหตขี้เกียจผลมันก็ต้องลําบาก อั น, นี้เป็นของธรรมดาไปกรรโลกในหลักของพระพุทธศาสนาเพรดฉะนั้นพวกเราทุกท่านไนมะ่อยากจะได้อะไรก็หาหาเอาอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันว่ามา่ก่อนที่หลวงพ่อไปในงานมีพระองค์หนึ่งท่านพูดให้ฟังหน้าคิดเหมือนกันหนะน้าคิดเหมือนกันคือนน่าคิดก็คือว่าคนละลึกชาติได้โยมผู้หญิงคนนี้อายุก็สี่ห้าสิบปี ท่านเป็นคนเป็นศิษย์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นคนมีอันจะกิน อ, อมีอันจะกินและเป็นเศรษฐีในท้องถิน่นในระดับในระดับท้องถิ่นมันนั่นแหละก็แต่งงานการแต่งงานนี่ก็แต่งงานด้วยความจําเป็นจําเป็นและจำใจผู้ใหญ่หรือมอบหรือหรือยกให้หรือว่ามอบให้แต่ตัวของท่านเองเขาเองเขาก็มาเองมี เ, งมเกตกำนงหรือเกตธนาของมัน จไม่อยู่เขก่อนเป็นคนดีนะเป็นคนดีเลยเดี๋ยวมีน้ำใจทีเดียวแต่กัคนก่อนเป็นคนงามในยุคนั้นไปท้องถิน่นเมื่อเขาเกิดมาเขาก็เป็นนางงามของท้องถิ่นเหมือนั้นแต่แต่ตัวของเขาเน่ยเขาระลึกชาติเขาหลังได้พระพุทธชาติที่แล้วเนี่ยข้าเน่ยเป็นคนประชาทเป็นคนบ้าแต่ไม่ใช่บ้าแท้เหมือนนั้นแต่บ้าพอช่างงานพี่เอีเหมือนนั้นแะ แล้วก็มาอยู่วัดไปมาอยู่ในบ้านเลยมาวัดมาวัดแต่เขาให้ล้างถ้วยล้างชามเขาก็ล้างถ้วยล้างชามอย่างเป็นชีวิตจิตใจจริงๆนั่นเลยแล้วพอขอให้ทําเขาล้างออกจากล้างส้วมแล้วก็ล้างห้องน้ําำไปล้างห้องน้ํำล้างเป็นชีวิตจิตใจจริงๆห้องน้ําล้วเขาบอกให้ล้างเพราะมันคนคนไทยทั่วไปคนไม่เตือนเต่งอย่างนั้นแต่แต่พอทํางานได้เขาก็ล้าง เขาบอกว่นะายนั่นแหละพอมาเกิดชาตินี้เขาจึงสวยงามเนีสวยงามกว่าคือคนหลายๆคนเขาว่ามั้นนะแ้่ามาเกิดเป็นชาตินี้เขามีฐานะดีนะแต่งานมาแล้วฐานะดีในในระดับท้องถิ่นเป็นมียอาเสียแล้วนั่นแต่ เ, เป็นเศรษฐีท้องถิ่นนราเนี่ะแต่ไม่ใช่ธรรมดานะเลยเงินเป็นท่ายาวไปแล้วก็มีเครื่องอะไร ลดลายเต็มบ้านเต็มเมือไปหมดแล้ววันนั้นแต่ให้เ่อนบริษัทเป็นบริษัทเลยแล้ววันนั้นแต่ขนาดนี้เกิดมาชาตินี้เขาไปวัดเขายังเข้าไปล้างถ้วยล้างชามอ ย, อยางล้างห้องน้ําอีกวันนั้นแต่ขนเนขาเขามีอะไรเสียทําไมล้างห้องน้ำเขานี่ล่ะคนที่จะสวยงามได้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำอํำนี้ที่ฉันทํามาแล้วในชาติที่แล้วได้เลย อันนี้หลวงพ่อได้ยินพระท่านเ ล, าเล่าให้ฟังหลวงพ่ออือก็น่าคิดตัวนั้นใครอยากจะสวยอยากจะงามนะอยากจะ อ, อยากจะมีรูปร่างตางตัวสวยงามกลาว่ามีพกมีชาตินะนี่แหละเป็นหนทางาเป็นหนทางแห่งความสวยงามาเป็นหนทางแห่งความเรียบร้อยไปที่ไหนจะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายทัดชอบของความสะอาด ถ้าว่าใครชอบทำความสขปรกไปที่เดินทิ้งทิ้งความความเกลื่อนไปหมดนั่นแหละถ้ามีภพมีชาติเลคำวุคำไม้คำมุมขมั่งไปเลยพราเห็ุไดที่คุณแม่พูดว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาขี้ร้ายก็ได้หาน้ำก็ได้เพราะนั้นใครอยากจะสวยอยากจะงามอยากจะมีปัญญาอยากจะมีปัญญาก็หาได้ เป็หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ที่จะมีปัญญาต่อไปในอนาคตถ้าเมื่อเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์หรือหาท่านผู้รู้เราก็รชักใยละเอียดถามปัญหาท่านไม่ใช่ถามปัญหาให้ท่านจนนะถามปัญหาผมมีความคงใจอย่างนี้ผมขอถามพระคุณท่านเป็นยังไงถ้าท่านตอบถูกเราก็ฟังด้วยเหตุผลเราก็อยู่ในใจอยู่แล้วถ้าท่านตอบไม่ถูกเราก็อยู่ในเหตุ ใ, ใจของเรา ท่านคงตอบไม่ถูกมากลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ถามองค์เอเด็กเราต้องถามไปเรื่อยๆเพราเป็นผู้ใฝ่เป็นผู้ใฝ่ใจเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าว่าคัานธนั้นเกิดมีพบมีชาติขึ้นมาจะเป็นผู้มีปัญญาเพราะว่าใฝ่ในการศึกษาแต่ถ้าว่าพกไายไปที่ไหนจะไม่ได้สนใจอะไรละหลับหูหลักตาชื่อบื่อหรืออยู่ยงั้นไม่ได้เลย เน่ไม่ไม่เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นนมาได้เลยพราะมีความสงสัยในใจใครข้อมมีความสงสัยในใจเรื่องนี้เป็นอย่างทําไมเป็นอย่างนี้คือตั้งความสงสัยคือตั้งคําถามในใจของตนเองอยู่เสมอผู้นี้จะเป็นผู้มีปัญญาพเพราะเหตุเพราะเหตุว่าคําถามในใจของตนเอง ไม่ใช่ถึงจะระแวงนะถ้าระแวงอีกต่างหากถ้าระแวงนั้นมันเป็นเรื่องทิ่ตกกังวลอันนั้นจะเป็นบ้าได้ไง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีความสงสัยในใจเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือตั้งความสงสัยไว้ในใจ <Yeah. S 1> ในเมื่อสงสัยแล้วก็สังเกตในเมื่อสังเกตแล้วเราจะรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันเพราะเหตุนี้เป็นมาอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนั้น อันนี้คือเป็นบอกเกิดแทงปัญญาเพราะงั้นพวกเราทุกๆท่านนะโลกนี้เป็นโลกหาได้อย่างที่คุณแม่พูดในคําพูดของท่านในคําพูดนี่เป็นคําพูดเป็นธรรมะเพราะงั้นเนี่เป็นธรรมะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายโลกนี้คือโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาสวยก็ได้หางามก็ไดสุดแทบจะใครจะหาหานรกหาสวรรค์หาพุทธโลกหาน i r v a n ได้ทั้งนั้น ถ้าว่าหาสิ่งที่ชั่วถึงจะทําในที่มืดที่ลับที่แยกอะไรก็าตามความชั่วนั้นมันจะมองเราอยู่ตลอดไปล้ำเวลาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองเพราะนั้นตัวของพวกเรานั่นแหละจะเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดในเมื่อตัวเองรู้แล้วนนั่นแหละกำชั่วทั้งหลายมันจะตามตามจิตใจของพวกเราไปเรื่อยๆ เหมือนกับเงาตามตัวมันออกโผลเมื่อแสงสว่างื่อใดเมื่อนั้นจะเห็นเงาทันทีนั้นนี่แะกรรมชัว่วเหมันกรรมดีกรรมดีกับกรรมชัว่วมันตามถึงขนาดนั้นแหละดังนั้นพวกเราทุกท่านนะอย่ากตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้สังสมบุญกุศลเอาไว้ทางว่าพวกเราได้สังสมบุญกุศลไว้ดีแล้วนะก็จะประสบความ สุขความเย็นใจเบื้องต้นหลงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการงานวันเปิดโลกทาตขององค์หลวงตาอันนี้ก็ไม่ควรจะพลาดนะครผู้ใ ด, ดอยู่ใกล้ก็ไปทำบุญร่วมหลวงตาหลวงตาไม่ใช่พระธรรมดาพูดอย่างนั้นได้เป็นพระที่เป็นพระที่หน้ากาบไหวสักระบูชาปิดเนื้อนาบุญสมควรอย่างยิ่งควรจะหว่านพืชหว่านเมล็ดพืช หวานข้าวลงในพื้นนาที่ดีจากนั้นก็เป็นวันวิสาขาบูชาถ้าลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นวันสําคัญยิ่งเพราะเป็นวันประสุติรู้ปริมณีพานของพระพุทธเจ้าบูรโอมครูของพวกเราที่พระทำคําสั่งสอนที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัตินก็คือพระทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นวันสําคัญ จากนั้นกบวันทำบุญในท้องถิ่นของพวกเราในวัดของเราก็ะยังที่หลวงพอได้ประทาถ้าวัาดวงดูวิญญาณ์พ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายของพวกเราสิ่งชักิ์สิทธิ่นใดพวกเราก็อุทิศ ส, น ส, นสน่วนกุศลอย่างเราก็มีข้าวหมอกแกงหมก อ, อะไรลักษณะนีน้ตามอัตภาพของเรามาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลแกุทิศท่วนกุศล ไม่ใช่ออกมากตะกามาขนเอาของมไม่ได้หรือยังนั้นอันนั้นเป็นเปรต <c oughs> เป็นวัเป็นผู้หิวโหอยอม่ได้เลยเออเป็นผู้หิวโหอยวันนั้น <c oughs> อันนั้นเป็นผู้หิวโหยไม่หิวโหยมาจากท่าไหนก็ไม่รู้อันนั้นก็หาหาได้อีกเหมือนกันเลยนั่นเถอะมันหาได้โลกมป็นโลกหาได้โดยนั้งพวกเราเนยถึงจะมีมากมีน้อยให้ทําบุญเอาไว้ให้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ทําบุญเอาไว้อดี๋ยวพระมาณ ทำบุญคือเป็นบุญบุญที่ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายแต่เรื่องอยู่เรื่องกินกินอิ่มมีทีมันขนาดไหนก็นดไดไ้แก่เจ็บตายอย่างเก่านั่นแหะเราก็กินพอเป็นไปได้ไม่ทุกข์ไม่จนก็พอแล้วเรามาอยู่วัดวาศาสนาเราไม่ใช่มากอบโวยในวัดวาศาสนาเรามาทาบุญนะแอะเรามาสั่งสมบรรมี เก่เป็นแหล่งเนื้อนาบุญรับพรและเสนอบทนาให้คน